กับหลานตื่นนอนพร้อมกันตอนตีสี่คนเป็นหลานเดินไปปลุกพี่สาวให้ลุกหุงข้าวนางสาวจำแรงไม่คุ้นกับการตื่นแต่เช้ามืดจึงบ่นกระปอดกระแปดคนกำลังหลับสบายสบายดันมาปลุกให้ตื่นบาปกรรมนะเองนะ่ะเองนั่นแหละบาปนอกจากบาปแล้วยังจะหาผัวไม่ได้ผู้ชายที่ไหน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 ถ้าคนอย่งเองสวยล้วก็ในตำบล น, นี้จะหาคนขี้เหร่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวเอาละ่ะข้าไม่อยากเถียงกับเองให้เสียเวลากําลังปวดท้องข้าไปละพูดจบก็เดินลงบันไดหลังบ้านเพื่อไปถ่ายทุกคนเป็นพี่สาวได้แต่กบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ผู้เดียวบ้านยายทันสมัยกว่าบ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยว่าคนบ้านอื่นนั้น เมื่อต้องการถ่ายทุกก็จะออกไปตามท้องไร่ท้องนาที่เรียกกันว่าไปทุ่งส่วนคนบ้านยายเพียงเดินลงบันไดหลังบ้านก็ถึงห้องซ้วมแล้วยายรอจนหลานขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วจึงชวนเข้าห้องพระเพื่อสวดมนต์ทวัดเองจะได้เดินทางด้วยความสวัสดีไม่ใช่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 นี่เป็นเพราะเองไม่เอาใจใส่นะสิยายได้โอกาสตอบว่าก็ถ้าผมเอาใจใส่หมดแต่นั่งสวดมนต์ทำวัดแล้วใครจะเป็นคนหุงข้าวให้ยายกินล่ะครับหลานชายไม่ยอมแพ้เอาเถอะอย่ามัวมาต่อล้อต่อเถียงอยู่เลยตามยายเข้าไปในห้องพระเดี๋ยวนี้แหละ คนอายุเจ็ดรอบจึงเดินนำคนอายุย่างสิเจ็ดเข้าไปในห้องพระยายจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนหลานนั่งคุกเข่าประนมมืออยู่เบื้องหลังจุดทูปเทียนเสร็จยายจึงกล่าวนำทีละประโยหลานชายกล่าวตามพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโพคะวโหติโลกนาถังพระตะนัตตะยังอภิปูชยามิจากนั้นยหญ่จึงขึ้นโยโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธหลานชายรับว่าสวัสขาโตเยนะพระควตาธรรมโมและจึงสวดพร้อมกันไปจนจบ สังเวคะปริกิตณะปาฐะเมื่อสวดมนต์จบจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นอันเสร็จสิ้นการทำวัดเชา้าไอ้หนูเอ็งเก่งนี่นาที่จำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องให้ยายว่านำเป็นครั้งแรกที่ยายชมอย่างจริงใจและไม่ประชดประชัน ก็ผมมียายเก่งนี่ครับเลยต้องเก่งตามยายหนุ่มน้อยชมตอบความจริงถ้ายายให้สวดมนต์คนเดียวเขาก็สวดไม่ได้แต่พอมีเพื่อนสวดก็พอจะกล่อมแกล้มไปได้จนจบไปอยู่บางกอกเองต้องสวดมนต์ทุกวันนะไอ้หนูครับถ้าผมมีเวลาแต่ยายครับตอนบูชาพระรัตนตรยัย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 ผมไม่เห็นได้ยินยายสวดแบบนี้บ้างเลยเคยได้ยินแต่โยโสภควาเพราะวันนี้เป็นวันที่ยายต้องการให้แปลกไปจากวันอื่นๆนะสิลุงพ่อท่านบอกว่าเอาไวส้สวดในโอกาสสำคัญสาคัญเพื่อความสวัสดีมีชัยก็วันนี้ เพ่งจะเดินทางไปเรียนบางกอกนี่นะยายจึงต้องสวดเอาเริกเอาใ้ไว้ก่อนก็ไหนยายเคยสอนผมไม่ถือเริกยามเมื่อไรที่เราทำดีเมื่อนั้นชื่อว่าเริกดีคนเป็นหลานแยง้งยายไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนต่างหาก นี่เองจะมายกย่องให้ยายเป็นศาสดาหรื อ, อยังไงจางยายก็ไม่เล่นด้วยกลัวขีกลายขึ้นหัวถ้าอย่างนั้นยายก็ไม่ได้ทำตามที่ท่านสอนเพราะยังถือเรกยามอยู่ก็ไม่เชิงหรอกนะไอ้หนูเองอย่าเข้าใจผิด อย่าหาว่ายายโง่เงางมงายแบบนั้นการที่เราสวดมนต์ก็เท่ากับเราทำดีเมื่อทำดีก็เริกดีอยู่แล้วถ้ายายงมงายป่านนี้ก็คงไปหาหมอมาทำขวัญให้เองแล้วนะสิยายไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรง่าย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 ขะขานอะไรกับยายเลยเอ็งเข้าใจที่ยายพูดแต่แกล้งทําเป็นไม่เข้าใจเอาละเดี๋ยวไปช่วยกันสำรวจตรวจตราข่าวของที่ยายเตรียมไว้ให้เพื่อขาดเหลืออะไรจะได้จัดหาหมายครบรอบอีกไม่นานพระก็จะมาบินทบาต วันนี้เองต้องใส่บาทนะยายยกบุญให้เองวันหนึ่งยายพูดแบบคนเสียสละเพื่อหลานทุกวันผมก็ได้บุญอยู่แล้วละยายก็ผมเป็นคนหงหาก็ได้บุญคนละครึ่งแต่วันนี้ผมได้คนละครึ่งกับนางจำแลงส่วนยายไม่ได้เลยได้สิทำไมจะไม่ได้ ในเมื่อข่าวปลาอาหารเป็นของยายก็ต้องแบ่งกันออกไปเป็นสามส่วนแต่วันอื่นๆยายได้สองส่วนเองได้ส่วนเดียวถึงอย่างไรยายก็ไม่ยอมเสียเปรียบแม้จริงๆนะยายตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยเห็นใครงกบุญเท่ายายจางแห่งตำบลบางม้งมูเลย จะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องคิดถึงเรื่องบุญก่อนเสมอคนอื่นเขาคิดกันแค่เรื่องกำไรกับขาดทุนเท่านั้นไม่เห็นมีใครคิดอย่างยายสักคนหลานชายกึ่งชมกึ่งตาหนิเรื่องของคนอื่นคนเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันสาหรับยายถือว่าการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด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 ยังไม่ทันได้ใช้ก็เกิดมาตายเสียก่อนมีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างอาแปะนั่นยังไงละยายแกแสนจะขี้เหนียวหาแต่เงินงกงกไม่ยอมใช้จ่ายพอตายลงก็เอาไปด้วยไม่ได้ทิ้งไว้ให้ป้าเหรียญผลานด้วยการเอาไปซื้อเหล้ากินนั่นสิแทนที่จะเอาไปทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ผัวแต่ก็ชังหัวมันเถิดกรรมของมันอย่ายไม่อยากพูดถึงหนังลูกคนนี้แต่ยายก็ยังอยากจะแบ่งสมบัติให้แกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถึงสมบัติแม้จะค่อนข้างแน่ใจว่ามันมาลายหายสูญไปแล้วอย่าไปอิจฉามันเลยไอ้หนู เอาเถอะเรื่องนั้นไว้คอยคิดกันทีหลังรอให้เองเรียนจบกลับมาเสก่อนแต่ถ้าเองกลัวว่ายายอาจตายก่อนเองกลับยายก็จะสั่งแม่เองไว้อ่อยายเตรียมหอเงินไว้ให้เองเรียบร้อยแล้วแปดสิบชั่ง คงพอนะแล้วยายก็เอาสายสะพายเผื่อไปหนึ่งเส้นเอ็งอย่าทำหายนะไอ้หนูแล้วก็จำไว้ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไดเอาไปขายเก่าใจหรือเปล่าเอาละ่ะเอ็งไปใส่บาตรได้แล้วเสร็จแล้วกอดตามไปที่ห้องยาย หนุ่มน้อยจัดการใส่บาดพระห้ารูปตามที่ยายสั่งเสร็จแล้วจึงเข้าไปในห้องยายออกสงสัยว่าสายสะพายที่ยายจะให้เขานําไปบังกอกด้วยนั้นเป็นเส้นเดียวกับที่ยายเอาใส่ใหาฝังไว้หรือเปล่าถ้าใช่ก็แปลว่าสมบัติเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อเข้ามาในห้องของยายหนุ่มเจริญก็เห็นเงินกองโต วางอยู่บนผ้าสี่เหลี่ยมผืนใหญ่ยายยังไม่ได้มัดเพราะต้องการจะให้เขาตรวจดูว่าครบแปดสิบช่างหรือไม่ข้างๆกองเงินมีไท้สีแดงวางอยู่เขาจึงถามแล้วไท่นี้จะใส่อะไรครับหรือว่าใส่สายสะพายที่ยายจะให้ผมนำติดตัวไปถูกแล้ว แต่เองต้องสัญญากับยายนะว่าหากไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่เอาออกขายเป็นอันขาดครับผมให้สัญญาแล้วไหนล่ะครับสายสะพายยายเอามือล้วงเข้าไปใต้หมอนแล้วหยิบสายสะพายหนักแบาทออกมาใช่เส้นเดียวกับที่ยายให้ผมฝังคืนนั้นหรือเปล่าครับ ผมจำได้ว่ามีทั้งหมดสามเส้นคนถามออกตื่นเต้นเอ็งว่าดฉายหรือเปล่าล่ะยายแซงลองใจใช่ครับถ้าเช่นนั้นก็แปลว่ามันไม่ได้หายอย่างที่ผมคิดเขาพลั้งปากออกมาจนได้ทำไมเอ็งถึงคิดว่ามันจะหายล่ะก่อไหนเอ็งเคยพูดว่า ซับจะนนีก็ต่อเมื่อเองขโมยเท่านั้นนอกสิจากเองใครเขาจะกล้ามาขโมยของยายแม้ยายแล้วก็เรื่องมันแล้วไปแล้วยังจะเอามาพูดให้แสลงหูแสลงใจผมอีกหลานชายต่อว่าไอ้หนูยายรู้นะว่า เองตั้งใจจะขโมยของยายไปขายดีแต่ว่าทรัพย์เครือที่นีไปอยู่ที่อื่นซะก่อนเองถึงทำไม่สำเร็จแต่เอาเถอะแล้วกอ็แล้วกันไปยายไม่ถือโทษโกรธเคืองเองรอกแต่ก่อจะขอเตือนเองว่าอย่าได้คิดทำเช่นนี้อีก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 คนเป็นหลานไม่ทันได้สำเนียกด้วยว่ายายพูดย่นเย้อซะจนเขาจับใจความไม่ได้สัญญาว่าจะไม่ไปทำมือสั่นมือยาวที่บางกอกนะสิยายทวนให้ผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อมือของผมมันก็แค่นี้จะให้สั้นให้ยาวไปกว่านี้ผมทำไม่ได้แน่หรือว่ายายทำได้ครับ หลานชายไม่วายยัว่วไอ้หนูเอ็งอย่าพาออกนอกเรื่องนี่ยายพูดเป็นการเป็นงานนะเอ็งต้องสัญญากับยายอย่าให้ผู้บังเกิดกล่าวของเอง็งต้องอับอายขายหน้าคนเขาจะด่ามาถึงพ่อแม่เอ็งวะ่ะไม่รู้จัก อบรมสั่งสอนลูกก็พ่อกับแม่เขาไม่เคยสั่งสอนผมสักหน่อยเห็นมีแต่ยายนี่แหละที่ทั้งสั่งทั้งสอนคนอ่อนไวกว่ายังคงเถียงพูดแบบนี้ระวังจะตกนรกอยู่ดีไม่ว่าดีก็มันจริงๆนี่ยายผมพูดความจริงทำไมต้องตกนรกด้วยเพราะ เองจวงจบับผู้ที่ให้กำเนิดเกิดเองมาน่ะสิพ่อแม่นั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกใครทำไม่ดีกับพ่อแม่ก็เหมือนทำกับพระอรหันต์แค่คิดไม่ดีก็บาปแล้วอย่าว่าแต่ทำไม่ดีเลยบาปยังไงล่ะยาย ก็มนโนทุจริตนะสิหลานการทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นกายทุจริตวจีทุจริตหรือมนโนทุจริตก็ถือว่าทำบาปยายครับหลานชายรู้สึกกำคาญเต็มทนอีกไม่กี่ชั่วโมง ผมกับยายก็จะต้องจําพากจากกันนานหลายปียายจะไม่มีอะไรที่ไพเราะสนะอโสดมาให้ผมฟังบ้างหรือครับเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยผมฟังมาตั้งแต่หัวเท่ากําปั้นเปลี่ยนเรื่องบ้างสิยายเอาเรื่องสังทองหรือจันทะโครบก็ได้นี่ถ้ายายเป็นโต้โหลิเกรับรองเจงเพราะเล่นซ้ำซากอยู่แต่เรื่องเดียว ก็เรื่องเดียวนี่แหละที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเอาละ่ะถ้าเองเบื่อยายจะเล่าตอนใหม่ก็ได้รับรองว่าเองยังไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องเดิมแต่ตอนใหม่หรือยายชื่อตอนอะไรครับตอนสามเกลือ งั้นผมก็เคยฟังแล้วที่มีไอ้มือใหญ่ไอ้ชีมุกมากแล้วก็ไอ้ตูดแหลมใช่ไหมยายไม่ใช่ก็ยายบอกแล้วอย่างไงละวะ่าเองไม่เคยฟังมาก่อนว่าแต่ว่าอยากจะฟังหรือเปล่าแต่ถึงจะไม่อยากฟังยายก็อยากเล่า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 หากก็แข็งใจพูดว่าหนังจําแรงยังไงละ่ะแต่ไม่รู้จะได้เรื่องได้ร้าวเถอาเองไหมรับรองว่าไม่เท่าคนอย่างผมมีหนึ่งเดียวในจักรวาลหนุ่มน้อยได้โอกาสอวดสรรพคุณของตนขณะนวดต้นคอแล้วไล่ลงมาตามแผ่นหลังที่เนื้อหนังเหี่ยวย่นเพราะความชรา เอาละ่ะไม่ต้องยกย่องตัวเองระฆังดังเองไม่ที่ไหนมีสิยายเขาเรียกว่าระฆังอ ป, ปรีไม่ตียังเสือกดังแต่เองไม่ใช่ระฆังเพราะฉะนั้นก็อย่ายกย่องตัวเองมันผิดธรรมเนียมคนไทยเอาละ่ะ ยอย่ามัวมาต่อล่อต่อเถียงตั้งใจฝังนิทานเรื่องบุญบาปตอนสามเกลอได้แล้วเห็นหลานไม่พูดอะไรยายจึงเริ่มต้นเล่าก็ละครั้งหนึ่งมีกระทาชายนายหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเขามีเกลออยู่สามคนคนที่หนึ่ง เขารักมากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกลอคนนี้เกลอคนที่สองเขารักรองลงมาจากคนแรกส่วนคนที่สามเขาไม่สนใจและไม่เคยทำอะไรเพื่อเกลอผู้นี้เลยต่อมาไม่ช้าไม่นานาก็ก่อตายลงความที่จิต เขาผูกพันอยู่กับเกลอคนทีหนึ่งเขาจึงไปหาแต่เกลอคนนี้ไม่ใ่ดีเขาเลยเขาพูดดวยก็ไม่ยอมเจรจาตอบเขารู้สึกเสียใจมากนึกเสียดายว่าขณะมีชีวิตอยู่เขาไม่ควรทุ่มเทเพื่อเกลอผูนี้ จากนั้นเขาจึงไปหาเกลือคนที่สองเกลือผู้นี้ดีกว่าคนแรกตรงที่ตามไปสง่งเมื่อเขาเดินทางไปปรโลกแต่ทรงเพียงครึ่งทางก็กลับคงมีแต่เกลือคนที่สามเท่านั้นที่ติดตามเขาและรวมเดินทางไปกับ เขาตลอดเส้นทางไม่เคยถอดทิ้งเขาไม่เพียงอึดใจเดียวสิ่งเล่านิทานหยุดชะงักลงด้วยว่าคนเล่ากำลังคิดถึงเกลอคนที่สามซึ่งคงจะได้พบกันและร่วมเดินทางไปประโลกด้วยกันในไม่ช้านี้แล้วยังไงอีกอย้ายเล่าต่อสิครับคนฟังกำลังเพลิน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 สามกลอนี้เช่นกันเองจะได้เตรียมตัวปฏิบัติต่อเกลอทั้งสาให้ถูกต้องเสียตังแต่ตอนมีชีวิตอยู่ไม่เช่นนั้นก็จะต้องเสียใจเหมือนชายผู้นี้ถ้าเช่นนั้นก็เก็บไว้ก่อนเธอยายยังอีกตั้งร้อยปีกว่าผมจะตายคิดไว้ตอนนี้รับรองว่าต้องลืม ไอ้หนูเอ็งอย่าหาทางออกแบบนั้นตอบมาเซ้ดดีๆรือถ้าเอ็งไม่รู้ก็บอกมาตามตรงยา้จะได้เฉลยให้ฟังในโลกนี้มีอะไรบ้างที่คนอย่างนายเจริญไม่รู้ไม่สิก็ขอสอบอยังไงละ่ะไม่เช่นนั้นเอ็งจะสอบ รยายค้านเสียงเรียบแม้ยายแล้วก็ชอบเอาปมด้อยของผมมาพูดอยู่เรื่อยทักน้อยใจแล้วนะคนพูดหยุดนวดลงทันใดก็ยายไม่ชอบให้เองยกยอตัวเองหนีนามันผิดธรรมเนียมของคนไทยเอาละ่ะไหน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 ถึงกับไปคดโกงคนอื่นเขาเพื่อเกลเอค น, นี้พอตายก็เลยต้องเดินทางไปปรโลกกับหนายบาปแล้วคนที่สองละครับยายคือผมไม่อยากได้คะแนนเต็มนะครับยายเฉลยมาดีกว่าผมทายถูกสองข้อก็พอใจแล้วคือลูกเมียญาตพี่น้อง เพราะพอเราตายเขาก็อทำบุญให้เราทำศพให้แปลว่าเข้าไปส่งเราแขกครึ่งทางเพราะฉะนั้นคนที่เราจะต้องเอาใจใส่ให้มากก็คือคนที่สามใครที่มัวลหลงไหลเอาใจแต่คนที่หนึ่งจึงเป็นคนโง่ แต่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนยายคนทุกวันนี้เขาก็เอาใจแต่เกลเคนที่หนึ่งกันทั้งนั้นยกเว้นคนที่ชื่อยายจางแห่งบางม่วงมูใช่นะสิก็ยายเป็นคนฉลาดนี่นาะยายสอนผมอยู่ยกๆว่าไม่ให้ยกย่องหรือยกยอตัวเองเพราะมันผิดธรรมเนียมของคนไทยแล้วทำไม ยายมาเป็นเสเองละครับยายเผลอไปนะก็พวกหนุ่มนุ่มสาวสาวยังมีวันพลังเผลอนับประสาอะไรกับคนอายุแปดสิบก้าสิบอย่างยาย